เพิ่มรกรรมฐานที่แรกให้ฟังพระกรรมฐานท่านเทคกูวาอาจารย์กรรมฐานท่านเทิดทำอยู่กับใจน่ยอันไหวให้กาหนดใจว่าให้ดีเพราะทำอยู่กับใจกันเราก็ยังไม่ไม่อยากจะเชื่อ ทำอยู่กับใจที่ไหนอยู่ก็คำพีนีว้วางในใจนะทำอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจอทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแล้วไม่ยักเชื่อพระธรรมแปดหมื่สิบพันพระธรรมขันธ์อยู่ที่ใบคำภีทั้งนั้นทั้มาวายอยู่ที่ใจทำไมว่านี่เป็นความรู้สึกเป็นพระของ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 ดีไม่ดีอยากจะมองดูหน้าท่นเลยมันถึงถนัดฟังเทศทําไมดูหน้าผู้เทศเละดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนัดนะมีเป็นความรู้สึกตั้งเลยแล้วเวลาฟัง น, น, นานๆ น, น, นี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความสงบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านเริ่มเกิดความเชื่อทําอยู่ที่ใจสมาธิทำอยู่ที่ใจแล้วมี เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาขณ ะ, ะฟังเทศท่านกิตไม่ส่งไปอื่นไปนี่ส่งไปหาท่านก็ไม่ส่งมันเพลินกับความสงบใจเกิดความสงบเกิดความเยือเกเย็นขึ้นมาในขณะฟังแล้วเพลินไปได้เลยเลยทําให้เกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจนั้นถูกต้องแล้ว <Yeah, S 1> เป็นเริ่มเริ่มเป็นความเชื่อขึ้นมาในขณะที่ สมาธิธรรมคือความสงบเงย็นใจปรากฏขึ้นในจิตทั้งเราขณะที่ฟังเทศจากท่านต่อจากนั้นก่อนเป็นเหตุให้อยากฟังอยากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเพื่อเป็เครื่องกล่อมจิตกล่อมใจเราในลำดับแรกเป็นอย่างนี้นลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมจะโดยจงกมก็ดีนั่งสมาธิภาว น, นาก็ดี ผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขนาดที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความซึง้งร้งวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆนี้ทำไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทำให้เกิดความต้นใจขึ้นอยู่ในเงี้ยจะพยายามหาทางสงบให้ได้ แล้วก็เข้าที่ภาวนาว่าเป็นความสงบขึ้นมาอาันนีคือยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นว่าทำอยู่ที่ใจโลกมันอยู่ที่ใจทำก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเทศจึงควรทำความรู้สึกไว้จำเฉพาะตัวท่านนายไม่จำเป็นจะต้องสมผิดออกไปสู่ภายนอกมีออกไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้เทศเป็นต้น เมื่อเราทำความรู้สึกไว um tá, ้กับตัวของเรานี้ธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปมากนนอยไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ของเราจิตเป็นผู้รู้กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเข้ามาสัมผัสและสัมผัสกันไปเรื่อยๆจิตไม่มีโอกาสที่จะส่งไปถูกภายนอกแล้วทำเป็นเครื่องเย็นแล้วก็ทำให้เพลินไปเพลินไปกับขณะนี้ขณะนั่น คือทำสัมผัสเป็นขณะขนะตามกระแสเสียงทันทีเทิดเป็นบกนะนะ เ, เ, เป็นมาทสัมผัสต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมเพนันการทัาธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ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 อย่างไรไม่มีอะไรที่จะสู้ใจได้ภัยก็ว่าร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์เพราะอำนาจตองี่เลกเรื่องของกิเลสแต่ไม่ตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำหนับลำหนับเท่านั้นอานที่สอนนะเห็นโทษ พยายามตั้งสติพิ่จรนานในแง่ต่างๆด้วยความจงใจเมื่อสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับการพิจนารณาในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ไหนก็ตามต้องได้อุบายแง้ลายขึ้นมาโดยลําดับอย่างท่านสอนว่าชราปิทุกขามานนำปิทุขัง อริยสัจจังเขาบอกอริยสัจชาติ่ดีขายชลาบิว ข, ขาชาติความเกิดเป็นทุกข์เราก็มีความเพลิดเพลินในเรื่องการเกิดลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิตรหายลูกหลานของญาติมิตรหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คํานึงตึงความทุกข์ของเด็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละรายๆเรียกว่ารอดตายนั่นมาทันเลย ถ้าเราดูแง่ต้นมันเห็นชัดเจนกับแง่ปลายคือความตายแล้วมันก็เท่ากันจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินที่ไหนได้เพรรอดตายมันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่รอดก็ไปในขนาดนั้นตายในท้องก็มีตายในขนาดที่ตกคลอดออกมาก็มีเนี่ยก็เพราะความทุกข์ถึงขนาดตายมันถึงตายได้ของเราการเกิดขึ้นมา เป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์อันนี้มันมีมาทั้งตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ไพิจารณาว่าเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่น่าเห็นโทษเห็นไถ่เป็นความขยะแขยงเพื่อจะดําจัดตัดเป่าให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความท่าเทียมของเรามีสติปัญญาเป็นสําคัญเมื่อนเรามีความเพลิดเพลินใน ความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนปลายถึงความเกิดเราพอใจความตายเราไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันยั่งคําความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเราต้องเป็นควา ม, วามทุกขอยู่โดยดีเพื่อให้ต้นกับปลายโคงกันจึงต้องให้พิจารณาประจักรชาติปีิปูขาชราปีติขามาลนำปุถุขังตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งกองทุกข์เดินทั้งนั้นไม่จะทางอะไรเดนอด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 หรือวเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีท่านในจิตใจของกระหัน่นท่านไม่มีมีแต่จิตของพวกเรากายขพวกเราส่วนกางท่านมีท่านทุกเหมือนกันกับเราเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าจิตนรับทราบไม่สามารถที่กระทบกระเทือนจิตใจงท่านให้หวันไหวไปได้เหมือนจิตใจของพุ้ฉุนสุขท่านก็รู้ในส่วนร่างกายทุกท่านก็รู้ เฉยๆท่านก็รู้แต่ทางด้านจิตใจขท่านไม่มีเรื่องเวทนาทั้งสามเพราะจิตนั้นพ้นประจากเวทนาแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปแทรกสินได้เลยเป็นธรรมล้วนๆอันนี้จังทุกขังรัตตาที่เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนอนิจ้จังทุกขังรัตตาสุขชวเวทนาก็เป็นไอจังทุกขังรัตตาอุเบกขาเวทนาก็เป็นไอจังทุกขังรัตตานี้จึงไปเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมทานนั้นไม่ได้ เราอยากมีความเจริญภายนจิตใจกวอนพยายามสร้างคุณงามความดีชินทานอย่าได้ขาดเป็นความดีสำหรัหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่จะสือพบสือชาติต่อไปคนเราที่มีพื้นฐานอันดีด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะพบใด้ชาติใดก็ต้องมีความดีติดตามเสมอ สุขติเสมเป็นที่หวังได้ในเมื่อยังไม่พ้นจากกองทุกข์ให้เจยดคั้นพยายามามีความสามารถที่จะเจริญเมตตาพรนาเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เต็มเพื่อความทุกข์ร้อนต่างๆนี้ก็ให้ทำไปอย่าได้ลดละขัดไปทุกวันขัดไปทุกวัน จิตใจเมื่อได้รับการขัดเกลาอยู่เสมอย่อมมีความปร่งใสมือจิตมีความปรองใสแล้วย่อมไปเห็นเงาตัวเองเหมือนกับน้ําใสมองเห็นแล้วได้ชัดเจนจะเป็นปากเป็นน้ําหรือเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตามอยู่ในน้ํานั้นสามารถที่มจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรที่เป็นที่เป็นไทยอยู่ภายใจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่า ที่ขุน ม, มัวไปด้วยที่เหลือาสมะหรืความวม่าวุ่นทั้งหลายผ่านจึงสอนให้ธรรมะอีกใจในโอวาที่ท่านรวมไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าสัพพะปัสสะอัการะนังการแม้ทำความชั้วทั้งหลายนั่นแหลประกันเนี่ยกุจะสู้กระซึ่มปธายังกุศนให้ถึงพร้อมประกันหนึ่ง สกิตตประโยชน์ปัังการทำกิจให้พองแผ้วถึงความเมื่อสุดนั้นประกันเอทงังพุทธานาาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปเศร้าหมองท่านไม่ให้ทำให้พยายามทำตั้งแต่กุศลคิณงามความดีเพราะความฉลาดของตน กุศลสูปราสัมปทาคือยังความฉลาดให้ถึงพร้อม น, นั่นเองการทําจิตให้มีความผ่องใสจนถึงขั้นเบอร์สุดนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่อยู่ในความสามารถของมือเราที่จะทําพระพุทธเจ้าก็ลาบากภาษาวจนะท่านก็ลาบากบรรดาท่านพูดถึงความเบอร์สุดต้องลําบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลําบากเพื่อความเบอร์สุดเพื่อความหุดพ้นไม่ใช่ลําบากเพื่อความร่วมจม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 ถ้าจะดีด้วยความตายโลกนี้ก็เคยตายกันมานานทําไมไม่เห็นดีมันไม่ดีนั่นเองถึงไม่อยากตายถ้ามันดีแล้วตายหรือไม่ตายมันกม็มีปัญหาอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วขณะที่สิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าคร่อบงาผิดนั้นผิดมันไร้สาระไปหมดแต่ เ, เมื่อแต่ชั้นละศาะสตร์แงออกโดยลําดับลำดับ ค่อยส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นไปจากภายในจิตใจคือความสงบเย็นใจจิตใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทําหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความรุ่นลงมันถึงด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ย มันสำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ดีอยู่นะอย่นี้มันก็ไม่ดีที่นี่ว่าจะดีที่นั่นว่าจะดีหลอกเ็้าของไปเรื่อยๆที่โน้นวัาจะดีชากนี้ไม่ดีว่าชาตหน้าจะดีเป็นอยู่ไม่ดีว่าตายไปนี่นจะดีมันหลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆอยู่นี้แหละมันหลอกผู้ที่กุ้มบุ่มถู ก, กุ้มบุมอยู่ด้วยความรุ่ม้อนทั้งหลายหมดมันหลอกเรา มันันก็ดีอนี่ก็นนดีมันไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเดิมเนงเพราะตัวนี้ไม่ดีจึงต้องแก้เพื่อให้ดีแก้โดยความเพียรของเราให้พยายามพิจารณากําจัดด้วยความเพียรยายายยทําสมาธิก็ให้มีความสงบได้ บ, บับงคับบัญชาจิตในขณะที่ทําสมาธิภาวนา คือขณะที่บังคับจิตฝึกทรมานจิตไม่ใช่เป็นขณะที่จะปล่อยแลไปตามอำเภอใจของอีกอันจึงเรียกว่าความเพียนเพียนเพื่อละเพียนเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นท่าจิดต่อใจจนใจได้รับความสงบขึ้นมาใจได้รับความสงบนั้นเพราะความเพียนไม่ใช่เพราะความปล่อยไปตามใจเราควรจะเห็นผลด้วยเห็นคุณค่าของความเพียน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 โลกทั้งหลายนี้โลกถนอมกว้างแสนกว้างอันหว่างนั้นแต่สิ่งที่มันคับแคบที่สุดก็คือหัวใจที่ติดตันไปด้วยกิเลสมันคับแคบนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็มาสบายคือมันแคบมันทับตัวเองเหนียะแก้ตรงธรรมชาติที่มันคับแคบนี้ออกให้จิตใจได้รับความกว้างขวางเบิกบานยืนหย้่นแผ่สายขึ้นมาภายในตัวจิต ใ, ใจก็โลกเย็นสบาย ทั้งนี้เราจะพิจารณาทั้งอย่างพุกขมันก็มีกําลังอยู่พิจารณาพอใจที่พิจารณาเพราะทุกข์เป็นหินรับสติรับปัญญาให้มีความให้ให้ข่มกล้าขึ้นเป็นลําดับตัดฟาดฟัฟนกิเลสจะอาชวะออกด้วยสมาธิอะการด้วยปัญญาีถอดถอนกินเลสมันถอดถอนด้วยปัญญาจาัดกิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสงบลง สมาธิก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวไม่สร้างออกไปในที่ต่างๆจนถึงกจับตัวไม่ได้ปัญญาคลี่คลายออกมาดูให้เห็นชัดเจนว่าจิตนี้มีความติดข้องผูกพันกับสิ่งใดหรือเสียงกงลิ่นรถเครื่องสัมผัสหรือรูปเทธนาสัญญาสังขงาณยินดานแยกแยะดูให้เห็นละเอียดถี่ถ้วนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่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 ทุกดับไปใจก็รู้รู้ด้วยปัญญารู้อยู่ธรรมชาติอย่างหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นแจนแจน้งชัดเจนว่าทุกเป็นทุกเราเป็นเราคือรู้เป็นรู้ทุกเป็นทุกนี่ประการนนานาหนึ่งเนี่สว่างไหมสัญญาจําได้ทันทันก็ลืมไปหมดถ้าต้องการจะจําก็มาตั้งใจจํากันใหม่จําไปพร้อมดับไปพร้อมขณะเดียวขณะเดียวเช่นเดียวกันเนี่ยนี่เหลือเป็นตน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 เปลว่าเครื่องสัมผัสนั้นหรือเป็นตนเฮ้คืออะไรวิญญาณความความรับทราบสิ so ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั้นหรือเป็นตนมันรับทราบพราะเพราะเพเพแล้วดับไปพร้อมพร้อมพรอมนั้นหรือเป็นตนเป็นตันอะไรความเกิดควาดับพร้อมจะถือเป็นตนเราจะเอาความนอนใจกับมันได้ยังไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วดับเรายังถือความเกิดความดับนว่าเป็นตนแล้วก็ยุ่งไปวันยั่งค่านะเจ้า เพราะสิ่งทั้งหลายมันนี้เกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าเจตนาสุขทุกข์เฉยเฉยไม่ว่าสัญญาทั้งขันวิญญาณมันนี้เกิดมีดับของมันเป็นประจําอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะไปคว้าว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราอยู่ได้ยังไงทั้งทั้งที่มันเกิดมันดับก็ทราบอย่างประจักจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นหินแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของหมันผู้รู้ไม่ดับใจแค่แท่ผู้ผู้รู้ผู้นี้ไม่ดับ อะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี้ไม่ดับดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปในทนาทั้งยาสั้งขานนิยานี่เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นใจลักตจลักคือที่จางทุกข์ของาตายจะมาถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรหากพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อาจจะประยึดถื อ, อ เวลามันพิเรนมันนั้นหนามนไม่เคยพิจารณาแล้วมันมันไม่ทราบอา่อานอ่านมันด้านของมันจะวางไงนี่แล้วพิจาราให้เห็นตามความจริงแล้วมันต่อยของมันเองต่อยออกโมด์ถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้แหละเป็นสนามรบนะเอ่าจะพ่ออย่างยิ่งทุกเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกตาที่สุดในขณะจะแตกจะดับเอาทุกเวทนานั่งแรมกลับหยุนี่นะ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 สงบไปหมดไม่มีอะไรจะมาก่อความจิตใจอันใดที่ยังมาก่อความจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังยังยังไม่พิจารณาให้ถึงความจริงเต็มที่ได้ถ้าได้ถึงความจริงเต็มที่ทุกจักทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเหยาะมาแทนมายุมาควรจิตใจได้เป็นสภาพที่จริงทักก่วทั้งหมดนั่นท่านเรียกว่าราบลงด้วยความจริงเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละ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 อยากมิจฉาและหิบไก่กายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเล็กเด็ ก, กแดงไปทั้งหมดไม่สามารถได้เท่านั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านเรียกว่าอัตตาหิปมุนนาโถเอาให้เต็มภูตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราจะทําไงจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะไม่กลายเป็นฆาตศึต่อเราเองถ้าเป็นเรื่องความรุ่งหลงความอ่อนแอความไม่มีสติปัญญาที่จะนํามาใชา้ก็คือเป็นฆาตศึต่อตอนเอง ถ้าเรามีสติปัญญามีศรัทธาความเปลี่ยน ม, มีความแกล้วกล้าสา ม, มารถตามหลักธรรมที่เราทรงสอนไว้พิจารณาึงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละคือว่าตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้อ่าให้ได้ที่พึ่งไม่มีที่ไหนล่ะพุทธังคพนางกระฉามนีกระเทือนอยู่พาน จ, จิตจไม่อยู่ที่ไหน ทำมังสนังกระฉานนี้กระเทือนที่จิตใจสร้างคังสนังกรานนี้กระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้เห็นว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายอขอให้เห็นและเฉพาะยังยิ่งจิตทั้งดวงที่แ ด, ด่คือธรรมทั้งดวงขอให้ธรรมะจิตนี้ยิง่งหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็ยิ่ง คุโธัมโมสังโฆไม่ทราบจะกระถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติหงความรุ่งตัวเองที่แสดงความค้ำบู์อยู่เต็มที่แล้วฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้เป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี้เีตผลในการปฏิบัติกาจัด กิเลสอาสวของตัวตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่าไม่ีราคานี้แต่ที่็นหัวใจคือที่โลกี่โกรธที่หลงทำละขี่นี้ออกโดยลำหนักัำหนัเมื่อหมดของปกปปกนี้แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายู่ไหนก็สบายธรรมนิพพานนางตรมังศูนยัอย่างอะไรศูนย์มันก็รู้เอง อะไรยังอยู่เขารู้<ะ>ใครจะไปรู้ยิ่งยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้ว<ะ>ถ้าคำว่านิพพานังปรมังสุญญ์ังนี้ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุท ธ, ธเจ้า<น>ี่พวกเราไม่เห็นว่าเท่ารเมก่อนอย่างนั้นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี้คําว่านิพพานังปรมังสุญังจะไม่มีปัญหาหญเลยเลย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 ประมังสุ ข, ขังที่ประจามจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไตรละมไม่ใช่สุขที่เป็นทุก ข, ขังจาวนาตาเต็มไม่มีความแปรสภาพคงเส้นคงวาตำแหนนิพานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตบริสุทธิานาน์ที่เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้มีอยู่กับทุกคนการแสดงธรรมเห็นสมควรความวิติอื่นทั้น